เป็นในพลทหารแล้วว่าจะไปบวชที่อินเดียก็เลยต้องได้คุยกันเขาถามว่าบุญกุศลน่าต่างกันยังไงเขาชวนไปทําบุญกุศลเป็นอันเดียวกันไหมยุงก็ต่างกันไหมบุญกุศลต่างกันยังไงบุญแล้วทำไหมทำแล้วทําให้ดีใจแต่กุศลทําแล้วทําให้ใจดี <c oughs> เออ ถ้าดีใจเนี่ยมันตรงข้ามกับว่าเสียใจใช่ไหมแต่ว่าใจดีเนี่ยมันไม่มีคู่เพราะงั้นกุศลเนี่ยทําให้ฉลาดแต่บุญเนี่ยทำให้สบายอ่าคือเขาว่าสบายนีดแต่ไม่ฉลาดพอหมดความสบายก็แสวยนะครัวามสบายใหม่อ ใ, ใจดีสมมติว่ายมมาปฏิบัติธรรมเนี่ยคนไหนได้แต่บุญไปพอกลับไปบ้านเท่าถูก ใครคนใดคนหนึ่งเขาพูดอะไรเสียแทงปับ๊บก็จะเกิดการใจเสียเลยใจคือใจดีที่มาหรือที่หายไปเลยจะมีความเสียใจเข้ามาแทนโอ้น่าจะนโมทนาอะไรแต่พอพูดพย่างนี้ถ้าเรารู้สึกคิดไม่สบายใจทุกใจนี่ก็แล้วบุญหายไปแต่ถ้ากลับไปนี้พอมีใครมาว่าอะไรสะแสลงหูหน่อยเรารู้สึกเฉยเฉยใจก็ยังสบายอยู่ฟังแล้วก็เหมือน ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเห็นความทุกข์เห็นความไม่สบายใจเห็นความเกิดความเมตตาสงสารนี่คือเรื่องเกิดกุศลเขากุศลหมายถึงว่ามีสติรักษาใจได้แต่บุญในรักษาใจไว้ไม่ได้ได้แต่ดีใจสบายใจแต่รักษาไว้ไม่ได้แต่คาว่ากุศลเนี่ยมันรักษาใจไว้ได้ก็ได้คุยกันยาวทีนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วโยมคําว่ากุศล อุ่นแปลว่าแปว่าสบายใจแปลว่าเต็มใจแต่คำวากุศลแปลว่าตัวฉลาดทําฉลาดพูดฉลาดคิดมันมาจากขำว่ากุศากุศาเป็นชื่อยาของยาชนิดหนึ่งชื่อย่ากุศลใช่ไหมาเราเรียกว่ายาอะไรยากุศานี่คือหมายถึงเป็นชื่อของอินเดียนะพระพุทธเจ้าเลยยืบคำนี้มาใช้ยาคาใช่ไหมว่าเราเรียกยาคายากุศา อตอนที่พระพุทธเจ้าถือถาดทองคําไปเสี่ยงแม่น้ำเนรัญชาลาแล้วกลับมาจเจอพรางผูหนึ่งชื่อว่าสุธิยาพรมสุธิยาพรมนี่ถวายญาตกุศาแปดกมือทําไมไม่ถวายญากอื่นทําไมต้องมาถวายญากกุศา อ, อันนี้คือเป็นปริศนากุสาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยยากภาษาเดียิปต์าว่ากุศากับกุศลนะสับเดียวกันเพราะว่าญาติคาในที่มันเป็นญากกุศาได้ก็เพราะว่ามันมีคุณสมบัติ เสียมารยาทนะดูเลก็ขอลาไปเกี่ยวอารมณ์เดือนหนึ่งถ้ามีปัญหาเรื่องอารมณ์จะเทาเทาบนเท้าหลวงพ่อก็เรื่องของญ้ากุศาเนี่ยมันมีญ้ากุศามีคุณสมบัติห้าอย่างยาคาโยมหลวงนึกว่ยาคามีคุณสมบัติกี่อย่างอย่างน้อยหาได้ห้าอย่างหนึ่งยาคาเนียร่าของเป็นยังไง รากสีอะไรสีขาวเออรากสีขาวถอดขึ้นมาเนี่ยเคี้ยวกินได้เลยนะไม่ต้องล้างเพราะมันสะอาดมันจะไม่ติดดินหญ้าอื่นรากหญ้าอื่นเนี่ยมันถอดแล้วดินไม่ติดรากแต่ยาคาถอดทุ่งเราดินไม่ติดรากเลยมันเกลี้ยงขาวใสเคี้ยวกินได้เลยเป็นยาอันที่สองรากยาคาทู่หรือแหลม ยุงเที่ยวไม่รู้จักยะขาหรอกเนา <c oughs> ะแหลมใครเข้าไปไปยะคาไม่ได้แสงเท้าไม่ได้นะรากมันแหลมคมมากอันที่สามากยะขาเป็นไงมากหรือน้อยมันสารแผ่นดินแน่นไปไหนหากินไปทั่วเลยมันจะลามไปทั่วเลยอันที่สี่ยะขาตายง่ายหรือตายยากตายยากขุดเท่าไรเผาเท่าไรไม่ตายอันที่ห้ายะาใช้ทำอะไรได้ ไม่เคยไม่เคยใช้ใช้มุงหลังคาเพราะนั้นใครจะไอ้ที่หลังคาบ้านเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าหลังครสีหรือหลังกระเบื้องเนืเขาเรียกหลังอะไรทั้งนั้นเลยหลังคาทั้งนั้นเลยเพราะมันมุงด้วยค า, าหลังคามุงด้วยอะไรเนี่ยมาจากเขาก่ายาญาคาทั่งแหละเขามุง ย, ยาคาคุณสมบัติของยาคามี 5อย่างฉันใดคนที่ <c oughs> มีกุศลแจิตเกิดกุศลแจิตจะมีคุณสวบัตหิหอย่างฉันนั้นทุกทนีนะราชคาเป็นสีขาวสะอาดราชคาแหลมคมราชคาหากินไกลรกาชาทนแดงทนแดดทนฝ น, ฝนอดทนแล้วก็ยาก ญาขาก็มุงหลังคาดได้มีคุณสมบัติห้าประการชั้นใดคนที่มีกุศลและจิตจะมีคุณสมบัติหประการอยู่ในจิตใจนั้นหนึ่งเป็นคนใจซื่อมือสะอาดคือใจสะอาดเหมือนลักยาขาใจขาวใจสะอาดแล้วก็ใช้ได้เลยสองอเป็นผู้ที่มีปฏิพานธ์ไว้พิบีความฉลาดแหลมคมสามเป็นผู้ที่มีแสงหากุศลและสิ่งที่เป็นประโยชน์ใส่จิตใจเสมอ คือหายกินไก่สเป็นคนที่ทั่งอดทนทำอะไรไม่เ ห, หนื่อยๆท้อถอยง่าย 5. เป็นคนแสวงหาที่สิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์จะไม่เสียเวลาด้วยนะเาเรียกว่าเป็นคนใจซื่อ ม, มือสะอาดฉลาดแหลมคมอารมณ์ดีแล้วก็มีความอดทนแล้วก็เป็นคนเสียสละคุณสมบัต จะขาดห้าอย่างและคนไหนมีคุณสมบัติห้อย่างเรียกว่าเป็นคนมีกุศลจึงเอามาใช้กับว่ากุศลธรรมซึ่งต่างคาว่าบุญเอามาจะเปรียบเทียบเส ม, มือนนะ้ำบุญเปรียบเส ม, มือนน้ากะทิแต่กุศลเปรียบเสมือนน้ามันมะพร้าวน้ากะทินี่เก็บไว้ไม่เกินสามวันนะเสี ย, เยใช่ไหมบูดแต่น้ํามันกะทิที่เคี่ยวออกมาแล้วนี่เก็บไว้ได้นานไหม เก็บไนานไม่เสียง่ายแล้วติดไฟได้ด้วยแต่น้ํากระเที่ติดไฟไม่ได้นะใช่ไหมแต่น้ําน้ามันติดไฟได้หมายความว่าบุญนี่ยทำให้เกิดปัญญาไม่ได้เหมือนกุศลคือมาทํำให่ใจสว่างสวยไม่ได้แต่กุศลทําให้เกิดปัญญาทําให้ใจิตใจสว่างสวยได้ดังนั้นทางนักศึกษาไทยแล้วก็มาตั้งเป็นปัญญาหมายว่าการพูดเป็นทําเป็นคิดเป็นนั่นคือเน้นเรื่องการศึกษาเน้นการศึกษาให้ คนทำเป็นพูดเป็นคิดเป็นก็คือเน้นให้คนมีกุศลนั่นเองคนมีกุศลจะพูดเป็นทาเป็นคิดเป็นแต่คนไม่มีคำว่ากุศลแปลว่าฉลาดนะแต่ว่าคำว่าอกุศลแปลว่าไม่ฉลาดนะเาอกุศลในจิตพือจิตที่ไม่ฉลาดไม่ได้หมายความว่าจิตไม่ดีนะเพราะจิตไม่ฉลาดจึงไปทําสาเหตุเป็นทุกข์เป็นเหตุให้สัตว์จิตเศร้าหมอง เรามาพูดถึงผลนุงมันว่าจิตเป็นบาปจิตเป็นอกุศลแต่ความจริงจิตอกุศลเพียงแล้วพูดไม่เป็นคําพูดดีๆไปพูดให้เสียก็มีความคิดดีๆไปคิดให้เสียก็มีคิดในมุมเสียวันการกระทําดีๆแล้วไปทําให้เสียก็มีของอะไรดีๆไปใช้ให้เสียนี่ก็เรียกว่าเป็นอกุศลคือใช้ไม่เป็นพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นก็เป็นอกุศลเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายคือเกิดบาปได้อันนี้เป็นเหตุของบาปนั่นเองนั้นจริงคาว่าอกุศล ก็เลยทำความเข้าใจกันในเรื่องอย่าง น, นี้ได้มาช้าไปหน่อยเลยก็มาปรุงอวบนะเพราะนั่นเองในช่วงบ่ายวันนี้เราก็จะปฏิบัติกันในสักช่วงหนึ่งในนั่งปฏิบัติร่วมกันที่นี่นะแต่ตัวแรกนี่ต้องเดินจูงกลมสักพักก่อนเนาะเดินจูงกลมพักแล้วก็นั่งเพรนั่งได้ประมาณสักสาโมงเราก็จะแยกกันเดิน แยกกันแยกกันนั่งไปก่อนช่วงแรกนี้เดินนั่งสลับกันไปก็ในช่วงสามโมงไปท้นไปแล้วก็จะแยกกันปฏิบัติเป็นเสือมตัวถ้าฝนไม่ตกอาจจะไปใช้ที่ไรต้นล้มไม้และวชันล่างเช่นโบนีแน่นอนอยูแะนะ่แล้วนะต่ล้มไม้ก็ดูว่าฝนแต่ทุกนี้มันฝอยนะไม่ใช่ฝนมันมาเรื่อยๆตกไม่พอเปียกดังนั้นตกลงว่าในช่วงแรกนี้เราเดินจุกุลชกพลักกันเนี่ยจะให้เดินเป็นวงกลมมากกว่านะ เดินไปอย่างนี้รู้สึกว่าจะที่ไม่เหมาะอ่ะเคลียร์รรรพื้นที่กันทุน